ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายรแต่รมประพติญาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องปัญญาบารมีต่อไปก็นำเสนอโยคะปัญญามาสองช่วงตอนนี้สืบเนื่องมาจากการตั้งข้อสังเกตเรื่องความคิดในทางวิชาการปัจจุบันระบบการเรียนการสอนคือมีการต่อต้านการท่องจำ โดยอายความรู้สึกดั้งเดิมของตัวเองแต่เราก็ไม่ได้ทบทวนนะฮะไม่ได้ทบทวนว่าเออสมัยเรานี่เราท่องสูตรคูณเปิดเลขปั๊บเราคูณได้ปุ๊บเลยฮะในขณะที่คนบางคนเนี่ยอาจจะต้องหาเครื่องจิ้มมาก่อนจิ้มก่อนแต่เราเห็นปั๊บแต่เราคูณได้ปุ๊บเลยนั่นก็คืออณิสงส์ของการท่องจํานะคบางครั้งบางคราวมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะต้องอ้างจะต้องอิงก็งอ้างก็มาได้เลยมันมีน้ําหนัก แล้วลองสังเกตนะฮะมาเคยไปบางทีไปต่างจังหวัดเนี่ยคือเราครูเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครไปถึงก็ท่าทางก็คืิงๆเนี่ยเขาเป็นครูพวันพอเริ่มขึ้นถึงมันก็วิชาการแล้วก็ออกมาพูดจะเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหลักอ้างอิงตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้ น, น, นก็เงียบไปก่อนนะคือยอบสยบไปซะก่อนสยบไปซะก่อนนะเขาพร้อมว่าที่คุณคิดเนะี่ยมันก็อาจจะคิดผิดก็ได้ แล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มลําดับความคือเรียงความให้เขาเกิดความเข้าใจนั้นก็หมายความว่าเพราะเราเราเคยจํามาเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เขาคุ้นเขาเรียนแล้วเราก็ดึงเรื่องของเขาเนี่ยมาพูดกับเขาได้เขาก็ทึ่งเขาก็สนใจเขาก็ยอมรับและในสุดมันก็พูดจา ก, กันเรื่องก็ทําความเข้าใจกันได้เพราะานุนสงก็การจําเนี่ย มันเป็นเรื่องหลักที่จะนำไปสู่ความคิดซึ่งมีความหลากหลายกายเป็นคิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้คำเยอะนะเช่นวิมังสาในอิธิบาทเช่นธรรมวิจัยในโพชฌงศ์เช็นมานาสานุเปกีตาในองค์ของภาวสูตรเช่นจินตามยะปัญญาติระปริญญาแต่ทั้งหมดเนี่ยคือระบบการคิดแต่อย่าลืมว่าเราเอาอะไรมาคิดแล้วก็สิ่งที่เรา เอาประสบการณ์ที่เราจําไว้แล้วก็นํามาคิดจนเกิดพัฒนาขึ้นเป็นความรู้ตรงนี้ท่านเรียกว่าทิฏฐิยาสุปฏิวิธาคือหมายความมาคบเจาะด้วยความคิดความเห็นจําแนกแยกแยะออกไปได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ทําได้รวดเร็วซึ่งหมายความมาตรงนี้ซั้นๆซากๆมากคือทำสั้าๆซากๆมากแล้วก็ทําได้รวดเร็วมากแล้วดูแม้อะไรต่างๆคือยังนึกยังนึกอยู่ ที่ราชบุรีเนี่ยนึกจะแวะดูที่เขาทำหม้อดินนะทีเาทําไอ้เครื่องปั้นดินเผาทั้งหลายเนี่ยคือเรารสึกทึ่งวิธีทำเขาเห็นภาพในที่ต่างๆแล้วเนี่ยคือความจนนี้จำนาญแต่ประสบการณ์ที่สะสมมันมากจริงๆนานเหลือเกินแล้วก็บางทีก็คนธรรมดาธรรมดานี่แหละความรู้ก็ไม่ได้สูงส่งอะไรบางทีก็พวกปอสี่ปอหกนี่แหละแต่ว่าทําเหลือกําลังจริงนั่นก็แสดงว่าจํา แม่นจำจนคร่องคล่องจนเกิดความคิดประสมประสานพัฒนาขึ้นไปนะทํานองเราปั้นอะไรละ่ะปั้นอะไรมันโตขึ้นโตขึ้น่ะคนเล่นหิมะปั้นหิมะหิมะก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นหิมะส่วนอื่นก็พล่องลงคล่องลงคล่องล ง, ล ง, ล ง, ลงนี่ก็เป็นบทเรียนได้ประการหนึ่งประเด็ทิฏยาสุ ป, ปฏิเวทถาเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องความเข้าใจเนี่ยเราไม่ค่อยศึกษาให้เกิดทะลุปูกโปร่งในตรงนี้นะ มันอาจจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบแหละคือยกตัวอย่างว่าปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเอ๊ะไม่ไม่น่าเกิดอ่ะผลงานเหล่านี้เป็นงานจําเจซ้ํำซากแล้วมันมีโครงสร้างที่ชัดเจนเนี่ยเช่นปัญหาการเลือกตั้งหรือเลือกจังเลยเมืองไทยเนี่ยเพราะฉะั้นมันอยู่ในโครงสร้างเดียวกันในอาสาระเนี่ยบุคคลมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งมีปัญหาตลอด มีปัญหาไม่มีชื่อมีปัญหาคนเอาชื่อไปใช้มีปัญหาชื่อตกหลน่นมีปัญหาใครไม่รู้ข้ามาแทรกอยู่ตลอดแล้วก็ไม่เคยแก้ได้ก็ถือเป็นเรื่องแปลกนั่นก็คืออะไรคือปัญญาภาคสนามเนี่ยไม่ได้นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมแล้วบางอย่างเป็นกนรารทบานที่ระบบกฎเกณฑ์การเนี่ยที่มันไม่เหมาะจะตางกับเอกชนมันก่อนเดี๋ววัดวัดตึง ลูกศิษย์เขอยู่พวกพวกเขาอยู่เนี่ยเขาก็ทํางานแลราชการเข้ามารับผิดชอบในเรื่องเครื่องเสียงเรื่องอัดเสียงเรื่องอะไรแต่อะไรทั้งหมดเดี๋ยวผลท้ายก็ปรากฏว่างานเจ็ดวันเนี่ยอัดที่พระพูดเพื่อได้เป็นสองมว้วนคือสองวันสุดท้ายแล้วก็บอกเขาบอกว่าอย่าวางใจกับราชการนะทำงานอย่างนี้เราต้องทําเองเพราะราชการเนี่ยเขาเป็นระบบของเขาผู้บงังคับบัญชาสั่งมอบหมาย ไปเอกสารหรือเปล่าไปเน้นย้ำกับเขาหรือเปล่าให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบแต่บางทีมังใช้งานไม่เป็นมีคราวเนึ่งอาตมายัางนึกยังนึกสลดอยู่จนทุกวันเนี่ยนะที่จริงมันก็หลายปีแล้วไปออกรายการวิทยุของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งที่เราโฮตูไปอยู่ตรงไหนคือคนที่มาคุมเครื่องเนี่ยมียศถึงพันเอก ระบอโอ้โหมันเอานายพลมาคุดสนามเพราะแล้วนะควบควบควบควคุมเครื่องเนี่ยจริงๆเอาขนาดนายสิทไปเยอะแล้วนะเด็กปวชเนี่ยก็เยอะแล้วทาไมถึงเอาระดับพันเอกมามาใช้บุคลากรให้ไม่เหมาะสมแก่เรื่องของงานอันนี้คือลักษณะก็เป็นอย่างนั้นน่ยก็ไม่รู้จงไงเราก็ต้องเข้าใจอะต้องเข้าใจข่าวว่ามันค่อนข้างจะแก้ยากมันเป็นโครงสร้างของเจ้าขุนมูลนายนี่เยอะ เรสูญเสียเวลาการเรียกเนี่ยเยอะในบ้านในเมืองเราเนี่ยแม้แต่วงการพระเองเยอะเลยนะฮะบางทีไปนั่งห้อมล้อมกันอยู่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพียงแต่ว่าเป็นเกียรติผู้ใหญ่ท่านมาก็ไปนั่งห้อมล้อมกันแล้วก็อุ่นนะงานการที่มันควรจะได้ทําเนี่ยก็ไม่ได้ทําแล้วโครงสร้างสังคมเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปปฏิบัติเคลื่อนไหวไปตามสังคมเนี่ยเราก็กลายเป็นคนที่ถูกเพ่งเด็ง แคกระต่อนอเห็นแก่ ต, ตัวอะไรแต่ไรแถวนี้ยที่จริงมันมีงานที่จะต้องทำํำคือถ้าเราไปในจุดนั้นแล้วมันจะเสียเวลาเยอะเสียงานเยอะเ้าก็ไม่ไป ไ, ไปก็ถูกแป้งเลงอันนี้ก็คือระบบมันแกยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่าเราก็รับผิดชอบเฉพาะส่วนของเราก็แไหนกันก็อย่าไปกะเกณฑ์ไปคาดหวังอะไรให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงมากเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะยุ่ง มันจะกลายเป็นเปรตจากคนนอนบนสาลาแล้วก็เสียเวลาปเปล่าๆเดีวโดยหลักการเนี่ยเราจะเห็นว่าการศึกษาจึงต้องมีการเดินมาถึงตรงนี้ต้องเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจในแง่มุมใดมุมหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันในวงการศึกษาของเราในการอภิปรายในการถกเถียงอะไรไปรช่างเถอะ อาตมาค่อนข้างมีโอกาสร่วมเข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมไปมมไมปลายอะไรต่ออะอยู่เยอะนะแต่ส่วนมากนะั่จะพยายามไม่พูดจะพยายามฟังบาบคนชอบฟังเช่นเวลาเทศคู่เนี่ยามาไม่ค่อยชอบพูดคุยชอบถามแล้วก็นั่งฟังก็เด้อก็นอกจากว่าองค์องค์ที่ตอบมันชักจะไม่ค่อยได้เรื่องนะฮะจึงจะต้องอธิบายเสริมบ้างแต่ท่านท่านตอบไปดีเราก็ถือว่าเรามาเรียนไปด้วยนะ ท่านชอบพูดยิงท่านชอบพูดนกะเทศบางองท่านชอบพูดอเราก็ชอบฟังก็ดีกันแล้วก็เทเดิดแกันได้คือเราจะไปยึดติดในรูปแบบตีเยอะโดยไม่ได้มองไปที่ตัวเนื้อหาแล้วบางทีมันก็กลายเป็นอุปท า, านคือยึดติดยึดติดว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นมองภาพรวมแล้วมองแบบเหมาหลซึ่งก็หมายความเราไม่เข้าใจความจริง เช่นอะไรนะเช่นสมมุติว่ามีข่าวตำรวจทำไม่ดีสักคนหนึ่งเหมาหมดทั้งกรมเลยทหารทำไม่ดีสักคนหนึ่งเหมาหมดทั้งกองทัพเลยพระทำไม่ดีสัรูปหนึ่เหมาพระหมดเลยอย่างเงี้ยไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจในกระบวนการทั้งหลายวันการศึกษาเรื่องอะไรก็ตามต้องเข้าใจที่ท่านบอกว่าเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้ได้แล้วก็ใช้ใเป็นสมนี้ท่านเรียกว่าภาวนามายปัญญา ปัญญาจะเกิดจากการสัมผัสตรงหมายความมันนำเรื่องเหล่านั้นนี่ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาการจำการท่องการเพ่งพินิจจนเข้าใจแล้วขบเจาะเห็นชัดเจนอะไรเป็นอะไรแต่มองนั้นไม่ใช่มองระยะสั้นๆต้องมองระยะยาวๆด้วยนะเพราะว่าถ้ามองในลักษณะตัดตอนก็มีปัญหาแล้วแนวปัจจุบันในมองตัดตอนเยอะเกิดก็ทำให้เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ว่าสิ่งดีงามทั้งหลายเนี่ยมันถูกตัดตอนไปถูกทิ้งไปเพราะอะไรเพราะเรามองกันในระยะสั้นๆที่วันนี้ยพยายามอะไรสร้างบานสร้างเรื่องศิงละปะกรรมก็ไปเอาของผลางมาทั้งหมดเลยแต่และเรื่องเนี่ยมันเพิ่มปัญหาขึ้นอีกเยอะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราปรารถนาใจประเทศเราเป็นแหล่งของการท่องเที่ยวการบริการแต่ว่าเหมือนผลางหมดเนี่ยมันเขาไม่มาเที่ยวหรอก เรลืองสตางค์เปล่าๆที่เข้ามาดูเนี่ยคือดูในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นไม่ใช่ดูในสิ่งที่มันซ้ำซากเพราะฉะนั้นแต่เราคงเอกลักษณ์ของเราเอาไว้สร้างจุดเด่นพัฒนาภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานต้องเป็นอีสานเลยต้องเติบโตมาด้วยวัฒนธรรมภางอีสานจะเอาอะไรรุงรังจากภาคกลางขึ้นไปธรรมาเคยตั้งข้อสังเกตที่ซาอิส ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยเขาพิปรายขอยงปีวัฒนธรรมนะปีสืบสานวัฒนธรรมข้อนี้บนไปเป็นวิทยากรโดยบอกให้ท่านทานาานนั้งหลายแถวนั้นซึ่งงบจิตคิดได้ดีนะว่าวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่สั่งการไปจากส่วนกลางแต่เป็นการสะสมของกลุ่มคนในแต่ละท้องถิ่นแถวนั้นแล้วันพัฒนาการขึ้นมามารังสรรขึ้นมาเรื่อย เพราะว่าเราจะไปเกณฑ์ต่างวัตถุธรรมนั้นคือนี่บ้านไทยบ้านทรงไทยอย่างเนี้ยบ้านไทยบ้นบ้านทรงไทยภาคกลางเนี่ยมันไม่ใช่นะะไม่ใช่บ้านทรงไทยแต่ว่าบ้านทรงไทยภาคกลางพระถ้จ้าภาคเหล่าเนี้ยไปไหว้ในภาคได้อาคารแบบเนี้ยไปไว้ในภา ค, าาคาบบได้ไม่ได้เพราะภาคใต้มันอยู่ริมทะเลแล้วก็ฝนตกบ่อยตกต่อเนื่องเพราะว่าบ้านเหล่านี้จะใช่อายุไม่ได้นานไปอยุ่ภาคอีสานมันจะมีอีกแบบหนึ่ง อายุภาคเหนือมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งภาคเหนือยังพอไหวนะเพราะตรงนั้นบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าคือคือไปเห็นโบสถ์แบบภาคกลางนี่ไปอยู่ที่ใกล้วัดกำกอที่แม่ห้องสอนคือไปแม่ห้องสอนท่า น, นเดียวนะแต่มันก็ทึ่งงานทางปฏิมา ก, กรรมงานทางสถาปัตยกรรมในมากรู้สึกว่าเออมันตรงเนี้ยออรบรรยากาศข้างนอกมันไม่เข้าไปแทรกมาก เลยคงความเป็นเอกลักษณ์แต่ไปเห็นอาคารโบสถ์แบบภาคกลางถ้าวางภาคกลางสวยมากนะฮะแต่ประวางในแม่ห้องสอนในเราดูเมืองก็กองขยะกองขยะที่ไปไปกองอยู่ท่ามกลางสวนกุหลาบซึ่งมันสวยงามอีกแบบหนึ่งเพรานวัฒตธรรมเนี่ยถ้าเราพยายามเชิดชูขึ้นทุกภาคต้องคงเอกลักษณ์ตัวเองเอาไว้แล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ทีนี้ถ้าภาคอีสานเหมือนกับภาคกลางหมดภาคกลางก็เหมือนฝรั่งหมดภาคเหนือก็เหมือนภาคกลางหมดภาคใต้เหมือนภาคกลางหมดแลไม่ต้องมาหล้วตรงนั้นอะไรสิ่งตัวนี้ยโราเราไม่ลงมือไปภาคสนามไม่ได้ลงมือในภาคปฏิบัติเราก็ทิ้งของเราไปแล้วไปเอาของฝลังร้องเพลงก็แบบฝรั่งอะไรก็ไม่รู้กิ้งก้องกิ้งกองก้งกองโอ้โหแล้วก็ถือว่าก้แล้วเป็นเหมือนขรังและ ไปหายไปถึงย้อมผ้าย้อมผมแต่งหน้าแต่งตาก็าไปกันใหญ่มันก็เอาควจริงเราก็าไม่เปลีป่ลังเราก็คงเป็นคนไทยอยู่เอกลักษณ์ของความเป็นไทยมันก็หายไปวันปัญญาภาคสนามนี่จะเห็นมันจะมีปัญญาสอดส่องมองเชื่อมโยงสิ่งทั้งหลายแล้วจะทึ่งจะทราบซึ้งในสิ่งดีงามต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเมือง แต่เราต้องการมองศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นสมบัติของมนุษยชาตินะแต่ว่าเป็นโอกาสดีที่คนไทยเรานี่รับมาไว้แต่น่าเสียดายที่เราใช้ได้น้อยมากตัอมายังนึกถึงเหมือนกับคอมพิวเตอร์บางเครื่องนะใช้พิมพ์ดีดพระพุทธศาสนาจะมีลักษณะอย่างนั้นคอมพิวเตอร์ที่มันมีความหลากหลายมากนะถ้าใช้เป็นถ้รู้ซึ่งเขาเนี่จะใช้ประโยชน์ได้ในขนนะ แต่เราก็มาใช้เป็นเครื่องพิมพ์ดีกลายเป็นการงานพิมพ์ที่ราคาแพงมากแต่ละหน้านี่นั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กระบวนการในการศึกษาเรียนรู้ในการคิดที่เป็นระบบในการลงมือภาคประพฤติปฏิบัติแล้วก็กำหนดประเด็นเนื้อหาของสิ่งนั้นคือเข้าใจเนื้อหาของเรื่องแต่เราเข้าใจเนื้อหาแต่ละเรื่องเนี่ยให้เข้าใจเนื้อหามัน เอาไม่ต้องดูอื่นไกลนะทาไมพระพุทธเจ้าสอนให้พระพิจารณาเรื่องรับประทานเรื่องรับปัจจัยสี่บริโภคปัจจัยสี่หลังจากบริโภคใช้สอยไปแล้วเพราะปัจจัยสี่มันสร้างปัญหาเรื่องปากเรื่องทองให้แก่โลกตลอดกาลไม่มีทางที่จะหยุดปัญหาตรง น, นี้ได้จะทํายังไงจะบรรเทาปัญหาได้หระเมื่อชีวิตของนักบวชเนี่ยมันต้องอิงกับสายชาวบ้านเนี่ยถ้ากินอยู่รู้งเร้าคูกฟ้าคู่เพลย์มันก็ยุ่งนะศาสนาก็าไปไม่รอดอรอก เรก็ต้องดูวัตถุประสงค์ว่าอาหารเน่กินเพื่ออะไรผ้านุ่งผ้าคมเนี่ยมีเพื่ออะไรโดยเห็นว่าอาหารเอาก็จริงโดยสรุปก็คือขาจากความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกำลังสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็พอแล้วอ่ะกินกินแล้วมันไปหิวต่อสําเร็จประโยชน์แล้วกินอะไรก็ได้สามารถ สำนวนศาสนาท่านใช้กับพระนะฮะไม่ได้ใช้กับแต่โยมเอาไปใช้บางการณีก็ได้นะ่ะสามารถอย่างอัตภาพไปเป็นไปได้ที่ท่านเรียกว่ายาปนาัดตงังยังให้เป็นอัตภาพไปเป็นไปได้เครื่องนุ่มมก็มีไว้เพื่อปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดของการหนาวร้อนเหลือบยุงรมแดดต่างๆที่ว่าทําให้ปกปิดแล้วมันน่าละอายนะ่ะก็ปกปิดมันสําเร็จประโยชน์และอย่างสําเร็จประโยชน์ก็สําเร็จประโยชน์ เราเห็นว่าคนคนผู้หญิงแขกเนี่ยเขานุ่งผ้าอะไรผ้าสารีนี่ผืนเดียวยาวเหยียดนะเขานุ่งได้สารพัดเขาทาได้สารพัดเป็นผ้าหม่มเป็นผ้าคลุมเป็นผ้าเช็ดมือทําได้สารพัดอ่ะเรื่องของสังคมไทยเราเนี่ยเราจะเห็นว่าโบราณมันก็มีลักษณะอย่างนั้นนะมันก็คงคิดใกล้ๆกับพระเนยเจะเห็นผ้าเขาวมานี่เป็นอนเนกประสงค์มากในสังคมไทย มาเคยไปเจอหลายปีมาแล้วแต่ก็นึกทึ่งในความคิดแต่ความไทยว่าไอ้นุ่มคนหนึ่งเนี่ยแกมีผ้าขาวม้าตั้งสีห้าผืนผืนหนึ่งนุ่งนะฮะผืนหนึ่งคาดสะเอนนผืนหนึ่งพาดบ่าผืนหนึ่งโ้า้หัวแล้วผืนหนึ่งก็ถือถือไปแกก็ชุดผ้าขาม้าทั้งหมดเลยเออก็ดีเหมือนกันนะะนึกดูแล้วมันก็สลับสับเปลี่ยนกันได้ สลัต่เปลี่ยนกันได้จนว่ามีความคิดมีความอ่านนะรเราจะลองลองสังเกตนะว่าวิ น, ยนัยในที่จริงเขาไม่ถึงก็ห้ามนะฮะแต่ว่าไม่ถึงการอนุญาตแล้วพระเองเราก็ไม่ค่อยกล้าทำไม่กล้าทํากันอย่างสมมติว่าผ้ า, ผ, าผ้าสรงของทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่ยเป็นวิธีการคิดที่ดีมันคือสําเร็จประโยชน์คือหมายความมานุ่งหมุนไปได้ตลอดคือถ้าอยู่ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะแบบกางเกงเนี่ยเราจึงว่าทางกดมันจะขาดได้เร็ว แล้วผ้าผ้าสรงเนี่ยเขาก็หมุนได้ตลอดเพราะก็ทําให้ใช้ได้ถนใช้ได้นานปีหนึ่งก็ใช้ได้ไม่ใช่ฝื้นหนึ่งก็ใช้ได้นานอันนี้ก็คือสําเร็จประโยชน์แหละมันไม่ใช่หรูหราฟู่ฟ้ายอะไรที่อยู่อาศัยแล้วก็สําเร็จประโยชน์คล้ายๆกับเครื่องนุ่งห่มนั่นแหละแต่มันโตขึ้นหน่อยยารักษาโรคก็ให้หายโรคไงก็จัดโรคกล่าวได้แล้วก็ป้องกันโรคใหม่ได้ร่างกายมันก็ฟื้นคืนเป็นปกติได้ก็ช้างมานยาอะไรก็ได้ มันจะประหยัดอะไรไปเยอะเพราะฉั้นในการเข้าถึงวัตถุประสงค์หือเข้าถึงเนื้อหาของเรื่องเหล่านั้นอย่าไปหยุมยิ้มอะไรกับรูปแบบมากเกินไปปัญญามันจะต้องสอดส่องแล้วหาทางประณีประนอมกันได้นะทางประณีประนอมกันได้แล้วเรื่องบางเรื่องนี่เราจะเห็นว่าคือถ้าจำนวนเนะต้องยอมอย่างเช่นท่านเล่าถึงสุนทรภู่ที่ตอนแต่งกรอนเรื่องอะไรเรื่องรามเกียรติ์เดียเรื่องเรื่องอีนเนาส์ เขพูถึงถึงปลาน้ำน้ำใสไหลเย็นอินเหนาหรือสังต่อนะอินนะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวว่ายแหวกกอบัวอยู่ไหวๆซูตันผู้ถามตัวอะไรเลยก็แก้ว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาว่ายแวปะทุมาอยู่ไหวๆ ม, มันก็ขม่มมันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา อราถือว่าใช้ได้นะควรแกการดกย่องทีนี้เราก็เข้ารบปูมปัญญา ก, กันแต่บางครั้งบางคราวมันกลายเป็นเรื่องขัดแยง้งเป็นเรื่องโกรธเคืองกันนะเป็นเรื่องรูมินเป็นเรื่องศักดิ์ศรีแล้วก็หาจุดในการประสานไม่ก็ได้เพราะฉะปัญญาภาคสนามเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้เยอะคือถ้าเราลงมือทําแล้วเราจะรู้มันเหมือนอะไรล่ะดูง่ายๆเหมือนกับคนต่อยมวยนะ เราเห็นว่าคนที่เชียร์มวยนี่สั่งการอย่างนั้นอย่งงางนั้นเป็นอย่างนั้นต่ำนั้นทอกอย่างนั้นว่าเรื่อยไปนะแต่ภาคสนามันไม่ใช่หรอกมันไม่จะทําได้ง่ายอย่างนั้นอย่าในกรณีคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในประสาสนามเรเจ็นว่าสื่อต่างๆนี่ยมันเร่งรัดจังเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าบ้านเมืองเองเนี่ยกว่าจะทําคดีสําเร็จสักคดีหนึ่งก็นานนะ แล้วก็ดีบางทีมันก็ใหญ่มีมวลชนมากมีปัญหาต่างๆมากไม่จะเรื่องง่ายแล้วก็พระเนี่ยไปทาอะไรเป็นฮะเรื่องเหล่านั้นเรื่องคดีในพระมันอยู่ในแวดวงหนึ่งที่แต่ละคนจะต้องสำนึกสาเนียกอยู่ในศีลอยู่ในธรรมถ้ามาเกิดไปแหลมขึ้นมาสักองค์แล้วก็ยุ่งทุกทีแ่ะเพราะอเพราะว่าคนที่มีความรอบรู้เล่ห์เหลี่ยมในเรื่องเหล่านั้นเน่ะมันไม่ได้ศึกษามาพราะไปศึกษาอีกระบบหนึง่ง แม้แต่ในสมัยพประกาลเนียแม้การ ก, กระทําของมเทวะทัตของคาราคาซังอยู่ทั้งนานตั้งหลายปีคือเรื่องไม่ใช่เรื่องแก้ได้ง่ายๆเพราะภาคสนามจริงๆแล้วเราต้องเข้ า, ขาใจนะเพราะคนในพูดป่าวๆในส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยผ่านภาคสนามไม่เคยผ่านภาคสนามในการทํางานมาว่าต้องอย่งงางเงินอย่งงางเงินอย่งงางเงินมันใจละเลงกันเนื้มเบื้องในปากนะมันทําไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกมันมีเรื่องเยอะมันมีปัญหาอุปสรรคเยอะเลย ทีนี้ถ้าเราเข้าใจนะคอะไรก็ตามเราเข้าใจมันจะมีจุดในการประนีประนอมกันได้เคยไปไประชุมหลายปีมาแล้วนะสมัยรัฐบาลเปรมตื่ตึกสันติไม่เปรย์มหณานิยามคําว่าเอกะลักษณ์แห่งชาติโดยจะรณรงค์สร้างเอกะลักษณ์แห่งชาติอาจะมาเป็นประธานที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษานั่งเฉยๆนะแต่เขาไม่ปรึกษาเราก็ไม่ปรึกษาหรอก เรก็นั่งเฉยาฟังเฉยๆแต่เรารู้สึกว่าพูดมาในร่วมสามชั่วโมงแล้วมันเรื่องเดียวกันอย่งนั้นนะแต่ว่าเขาไม่ประสานเนื้อหากันเขาถกเฉียงภาษากันโดยพยัญชนะ ก, นกันก็มันเกือบห้าโมงแล้วนะเลยก็สกิจเตือนประธานเพราะเขาไม่ปรึกษาเลยก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิบอกให้แต่ละคนนี่ช่วยกันนิยามมา คือเนี่ยกลับไปบ้านแ ล, ล้วก็ไปในยามมาแล้วตอนเช้ามืดเนี่ยมาส่งให้กองเลขากองเลขาจะทําหน้าที่ประมวลสรุปประเด็นแล้วก็เข้าที่ประชุมใหญ่คือมองเห็นว่าถ้าปล่อยท่านเถียงเนี่ยท่านไม่ยอมเลยเพราะทุกคนอยากพูดเป็นเรื่องแปลกมากเลยคือทุกคนอยากจะพูดจะต้องไปแสดงวัะโมหาทั้งทังที่มันสมบูรณ์แล้วนะก็ชอบจะแสดงทีนี้ถ้าเราเข้าถึงมันเนี่ย ก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดเรื่องที่เราอยากจะพูดคนอื่นพูดแล้วแม้พูดไม่ตรงในที่เราอยากจะพูดแต่ว่าทําไปมันตรงกันเองมันก็ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นจะต้องไปพูดไปแสดงเพราะในนี้เราจะเห็นว่าปัญญาภาคสนามเนี่ยมันจะตึงเลือดมาอยู่ตรงนี้แล้วพอถึงภาคสนามแล้วจะมีความชัดเจนทั้งหมดว่าเรื่องทั้งเรื่องอเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรง่ายหรอกยิ่งไปเกี่ยวกับคนไปเกี่ยวกับ เ, เงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆมี คามเชื่อถือมีขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรตร่ะหนอยู่เบื้องหลังนะโอเรื่องมันยุ่งมากเลยือยกว่าจะหาทางลงตัวได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาพอเข้าใจแล้วมันจะเกิดการประณีประนอมการประสานประโยชน์การผ่อนปรนการยอมรับจกย่องกันตามสมควรแก่ฐานะไม่ต้องไปสูญเสียเวลาซึ่งควรจะใช้ไปในเรื่องอื่น แทนที่จะนํามาถกเฉียงกันในเรื่องที่มันมันทำแล้วมันพูดลงไปแล้วนะทําไมจะต้องทําอีกจะต้องพูดอีกนะก็ปล่อยกันไปเพราะปัญญาเนี่ยจึงตัวเป็นตัวหลักในการที่จะข้อยุติลงตัวในเรื่องเหล่านั้นเพราะว่าท่านจะมองปัญหาต่างๆในชัดเจนแจ่มแจ้งตามที่มันเป็นจริงซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้มาครบทั้งสามระดับต่างๆต้องฟังตั้งไหน แต่รูปโพิยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูตรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทัางายโดยทั่วกันสวัสดี